สิม น, นะครับท่านจะไม่ค่อยอยู่นิ่งเฉยนะครับบางทีท่านก็จะกำ ม, มือบ้างบางทีท่านก็จะขยี้เท้าหรืออะไรนี้ก็เป็นสิ่งที่ลองสังเกตดูเวลาที่ท่านปฏิบัติเคลื่อนไหวตาของท่านก็ไม่อยู่ที่เดียวนะครับตาท่านก็จะมองไปบนเพดานอะไรอย่างนี้สิ่งที่ท่านไม่ได้สอนแต่ ว, ว่าเราสังเกตจากลักษณะทางกรรมของท่านก็ได้เป็นการสอนอีกอย่างหนึ่ง เมื่อประมาณปลายปีก่อนนะครับก็มีปัญหาในชีวิตแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็เลยก็เลยลุกขึ้นมาประมาณตีสองตีสามก็จะเดินนะครับก็จะเดินบางทีก็เดินจนสว่างแล้วก็มันก็รู้สึกว่ามันเป็นทางออกของการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คิดว่าไม่มีทางอื่นอีกแล้วก็เลยใช้วิธีนี้และหลังจากนั้นความทุกข์มันก็ค่อยน้อยน้อยน้อยลงน้อยล ง, นยลงจนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจในเรื่องสําคัญ กลับตัดสินใจได้อย่างง่ายๆนะครับตอนแรกคิดว่าจะยากแต่ว่ามันกลับตัดสินใจได้ง่ายหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วก็ดูเหมือนว่าความทุกข์ที่เมเนี่ยมันจะไม่กินเวลา น, านานมากเท่าไหร่แล้วก็การตัดสินใจเนี่ยมันก็ทาได้เร็วบางครั้งสองหรือสามวันมันก็ฟื้นได้เลยนะครับผมเองก็ได้ติดตาม อาจารย์มหาดิเลกทางเฟซบุ๊กนะครับก็ได้ถามเรียนถามท่านท่านก็แนะนำบอกว่าให้หาเวลามาเก็บอารมณ์มาปฏิบัติเป็นช่วงๆเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ก็มีโอกาสก็เลยมานะครับชื่อป่างป่าครับป้างป่าป้างป่า ไปมาแค่สิบวันครับแต่ว่าพอช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาก็เลยปฏิบัติส่วนตัวครับครับที่บ้านครับครับก็ยกมือทําจังหวะแล้วก็เดินเนื่องจากว่าช่วงนั้นอยู่คนเดียวครับก็ทําทั้งวันดีขึ้นมากครับอยู่ที่บ้านนี่จะต้องบังคับใจตัวเองมากครับเพราะว่ามันสามารถเปิดรับสื่อ ดูทีวีเข้าอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือพิมพ์อะไรต่งตางๆได้ก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือด้วยนะครับแต่พอเวลาที่เราได้รับการปฏิบัติที่วัดแพร่เสียงเทียนมาก่อนนะครับคือมันต้องตัดใจในช่วงนั้นมันก็เลยติดก็เลยติดติดในการที่จะปฏิบัตินะครับก็เลยก็เลยคิดถึงคำพูดของป้าพิุลที่ท่านแบ่งปันเมื่อ เมื่อไม่กี่วันที่แล้วมาท่า น, นบอกว่าเรามาปฏิบัติดังหนที่นี่เพื่อที่เราจะได้ให้จิตของเรามันชินนะครับผมเองก็เห็นด้วยเพราะว่าเมื่อประมาณวันที่สี่ที่ห้าของการปฏิบัติเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมากลางดึกแล้วก็เอ๊ะทาไมเราตื่นขึ้นมาสักพักหนึ่งเสียงะระฆังก็ดังนะครับกะระฆังตอนตีสามตอนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะเราตื่นขึ้นมาเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันชินแล้วเหรอ ไม่แน่ใจนะครับเพอะอีกวันหนึ่งขึ้นมาก็สามารถที่จะรู้สึกตัวก่อนที่ละฆังจะดังแล้วเมื่อคืนนี้เองที่เรามีการแบ่งปันแล้วเราก็นอนตัดดึกนะครับก็คิดว่ามันคงจะเหนื่อยคงจะไม่ไหวจะว่าก็รู้สึกตัวขึ้นมาก่อนที่ละฆังจะดังก็เลยมีความมีความศรัทธาแล้วก็มีความเชื่ออย่างที่ป้าพี่คุณบอกนะครับว่าจิตของเราเนี้ยมันฝึกได้แล้วพอมันชินแล้วเนี่ยมันก็จะทํางานของมันเองนะครับโดยที่เราไม่ต้อง ไม่ต้องไปเพียงแต่ว่าเราฝึกรู้สึกตัวให้เยอะๆจนถึงรนดับแล้วสิ่งต่างๆมันก็จะเป็นคำตอบเผยออกมาเองครับรู้สึกครับแต่ว่ามันก็มาเรื่อยๆครับเพียงแต่ว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างที่สามารถตัดได้เร็วเวลาที่ความคิดเข้ามาตัดได้เร็วคิดว่าเป็นที่ความคิดนะครับไม่ได้ครับพอดี เมื่อวานนี้ก็มีปัญหานะครับก็เลยได้ถามท่านอาจารย์กสินก็ถามว่าเวลาที่มันมีความคิดเข้ามาเนี่ยเราจะหลบเข้าไปอยู่กับอยู่กับสภาวะความเงียบความสงบหรือเปล่าท่านก็บอกว่าไม่ใช่นะครับเมื่อเช้าท่านเทศดีมากนะครับโดนหลายๆจุดเลยที่ท่านบอกว่าเราจะต้องมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอในสภ า, สภาวะอารมณ์ หลายหลากแตกต่างกันไปให้เราทรงอารมณ์เอาไว้ก็คือทรงความรู้สึกตัวไว้ก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่มีความคิดเข้ามาเนี่ยตอนแรกหยุดแล้วมันจะแรงมากครับพอหยุดปุ๊บแล้วมันจะเหมือนกับว่ามันว่างไปเลยกระตุกแต่พอได้รับคําแนะนําอย่างนั้นขึ้นมาเสร็จแล้วมันค่อยๆเหมือนกับว่าความคิดมันมาจากไหนก็ยังไม่รู้แต่ว่าเวลาที่มันที่มันหยุดเนี่ยเราเห็นมันเนี่ย มันไม่แรงเหมือนแต่ก่อนก็คือมันมันออกไปอยา่างง่ายก็เลยรู้สึกค่อนข้างจะโล่งแล้วครับตอนนี้คิดว่าคิดว่าน่าจะใช่หนทาแล้วครับวิชีหลวงพ่อจำชื่อไม่ทันเชื่ออะไรนะชื่อคุณทีวาออคุณทีวาก็น่าจะต้องทีวาได้แล้วทีวาแปลว่าสว่างทีวาตัวนี้ก็เป็น แผงมาเป็นเทวาเราแผงมาเป็นวันมาจากทิว <c oughs> เราโชคดีนะที่มีทุกข์แล้วเนี่ยมาทางนี้คุณมีบุญอยู่คนที่มีทุกข์แล้วเนี่ยมาเลือกทางเจริญสติเนี่ยถือว่ามีบุญนะเพราะความทุกข์นี่แหละเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีให้กับไฟแห่งปัญญา ถ้าหาว่าคุณจะติดไฟถ้าคุณไม่มีเชื้อเฟืองเนะี่ยคุณก็ไม่ไฟก็ติดยากถ้าเชื้อเพลิงชนิดดีคือทุกมากๆเป็นเชื้อเพืองที่แหง้งแต่ว่าคนที่สูงมากๆเป็นเชื้อเพืองที่เปียกติดบางดับบางขวันบงังอย่างนั้นแหละแต่คนที่ทุกมากๆมันเชื้อฟืนมันแหง้งติดปับ๊บแล้วก็ลุกปุ๊บเลยนะแต่ลุกขึ้นแล้วนี่จะปรับให้เป็นแสงสว่างหรือเปล่าถ้าปรับเป็นแสงสว่างไม่ได้ เผาหนักเข้าไปอีกะที่เอาตัวปรับคืออะไรนี่ก็คือตัวนี้แหละตัวรู้สึกตัวนี่แหละเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเขาต้องใช้เชื้อเพลิงเยอะเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าสู่ภูมิธรรมขั้นสูงเนี่ยจะต้องมีเชื้อเพลิงทุกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่บ้านเราสบายจะได้ไปเรามาที่นี่คือเรามาสร้างเชื้อเพลิงจุดเผาให้มันทุกบ้างนเพื่อเราจะได้ มีแสงสว่างขึ้นมาหรือบางคนก็เอาเชื้อเพลิงที่มันแห้งอยู่ที่บ้านมันเปียกแฉะมันชื้นเย็นก็เอามาวัดมันมาตากตากมันแห้งเพื่อจะอไปจุดให้มันติดนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคุณมีโชคน ะ, ะมีเชื้อเพลิงแล้วก็ได้เตาเผาที่ดีอาณาปีอัตาปีที่ดีก็สามารถแปลง transform ส, ส่วนความร้อนให้เป็นแสงสว่างได้ก็ทำไปเรื่อยไม่ผิดหรอก แต่ว่ามันมันก็เยอะนะมันก็ดึงไปทางของมันเอามาทางโยมอุบาสิกามันนั่งรับเสารนี่พูดไปแล้วใช่ไหมยังยังมาจากที่ไหนแล้ยวเดียวก็เป็นย่างไรก็จะคุยให้ฟังเหมือนรู้ได้เจอกันครั้งแล้วเนาะจำหน้าจะมาได้ไหมอ่าก็คงจะพูดอะไรให้ฟังเพราะมาปฏิบัติตั้งแต่พีกายตอนนั้นเจอที่เบิกฟ้า อารมณ์หรือเบิก ฟ, ฟ้า อ, าอะไรบลกง้าอาะสมเนาะหลวงพ่อทำไมสะสมอลวงพ่ออยากจะเป็นเบิกฟ้าธรรมารม <c oughs> คุณปี่ชาเป็นยังไงอะไรนี้ก็ยังไม่ได้ถามข่าวตอนนั้นหลวพ่ออยู่อินโดนีเซียคุณมาดีคุณปี่ชาก็โทรไว้หลวงพ่อกลับมาจากอินโดนีเซียมาแวะได้นั่งเลยปีกายได้ไปแวะที่นั้นไม่ได้ข่าวกันว่าเป็นยัไงม า, มาปฏิบัติที่นี่กับที่ เบิกฟ้าต่างกันไหมมาที่นี่เบิกตาไม่ใช่เบิกฟ้าแลยเนะาะค่ะกัญญลักษณ์นั้นทวิเศษสอนนะคะจากสุพรรณบุรีค่ะลืมค่ะลืมกลับมาเรีนกรารหลวงพ่อค่ะแล้วกออ็ได้รู้จักวิธีของหลวงพ่อเทียนนะคะจากเบิกฟ้าแล้วก็ได้เรียนค่ะ ออบางอย่างก็มีความเห็นเหมือนคุณที่ว่าเพราะว่าตัวเองเคยเจอทุกข์หนักๆทุกข์หนักๆมากก็ได้ใช้วิชานี้แหละค่ะค่ะก็ได้แม่พุกลนะคะมีเมตตาได้สอนแล้วก็ให้ใช้วิชานี้เพื่อให้คายทุกข์แล้วก็หายทุกข์ถือว่าเป็นมูลคุณกับครอบครัวเราอย่างสูงเลยค่ะ เ, ออเมื่อก่อนเราก็ปฏิบัติแบบทุทโธอะค่ะก็ไม่รู้จักวิธีนี้ไม่รู้จักเลย เรารู้จักแต่วิธีพุโทโธทําสมาธิดูอนาปาญสกิปติแบบนั้นนะคะแล้วก็มารู้จักดับพิปิชาพิปิชาเสร็จแล้วก็มามาเจอแม่พี่กุลมาเจอแม่พี่กุลพอมีทุกข์หนักมากมีทุกข์หนักแสนสาหัสได้ แ, แม่พี่กุลแก้ช่วยชีวิตกันไว้ได้ก็ถือว่าเป็นบุญคุณอย่างใหญ่หลวงเลยแล้วก็คิดว่า วิธีรู้สึกตัววิธีนี้ค่ะเป็นวิธีที่แก้ทุกได้ได้ไดตรงจุดที่สุดเลยค่ะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะมาค่ะเขาก็ได้แม่พีก่กลได้แม่พี่กุลกับท่านเจ้าคุณที่ได้ช่วยกันหายทุกค่ะค่ะก็หายทุกกันหมดฮ่ะสำหรับตัวโยมเองยังพอมีบ้างค่ะ เอาเป็นเชื้อไว้สําหรับอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเมื่อกี้ไว้เป็นไอ้ทุกข์แห้งไม้แห้งๆเป็นเจ้าเพลิงแห้งๆอ่ะแล้วท่านท่านอาจารย์มีวิธียังไงแนะนําโยมบ้างไหมคะให้ทุกคนนี้นะคะค่ะก็ก็ก็ขอคออยืนยันอีกอีกครั้งค่ะว่าวิธีนี้เป็นวิธีแก้ทุกข์ใครทุกได้ได้ตรงจุดที่สุดนะคะก็มาครั้งนี้ก็เหมือนว่ามามามาเพิ่ม กำลังความรู้สึกตัวได้มากขึ้นนะฮะรู้รู้เห็นตัวเองแล้วก็รู้สึกตัวได้ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะค่ะพี่ปีชาแกก็สุขภาพไม่ค่อยดีฮะเป็นสุขภาพไม่ค่อยดีแต่แกก็จัดอบรมทุกเดือนอด เ, ออเดือนที่แล้วมีอาจารย์นันโลงใช่ไหมคะอาจารย์นันโลงที่ว่าเป็นเป็นมะเร็งนะค่ะเป็นนะฮะมาช่วยค่ะ ก็โยมมาที่นี่ไม่ได้บอกแกค่ะโกรธแกน้อยใจเพราะว่าพาเพื่อนเพื่อนมาหลายคนค่ะแม่พี่คุณบอกเที่ยวหน้าให้มาสิบวันแต่ก็ยังไปมาหาสู่ถึงกันอยู่ค่ะแกก็มีความตั้งใจค่ ะ, คะนิมนต์อาจารย์ไปเยี่ยมมั่งทีค่ะก็อย่างที่อาจารย์เคยบอกอ่ะค่ะอาจารย์ไปนอกบ่อยเพราะว่าฝรั่งสอนง่ายแต่โยมว่าคนไทยนี่แหละถ้าอาจารย์ ไปนอกบ่อยๆคนไทยเดี๋ยวไว้นับถืออย่างอื่นนะคะการนมัสการแด่คุณเจ้าทุกรูปนะคะแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกคนนะคะดิฉันชื่อกําไรค่ะเป็นคนจังหวัดแพร่ก็เกิดที่นี่แล้วก็อยู่อําเภอเมืองอ่ะค่ะก็มามาที่นี่คุณแม่เป็นคนแนะนํามาแล้วก็ตัวเองนี่อยากจะปรับปรุงนิสัยของตัวเองอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ คือตอนแรกก็เป็นธรรมดาเ น, นี่ยแหละค่ะแต่ว่าเวลามีแฟนแล้วทีนี้แฟนพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะอืมไม่อย่างที่หลวงพ่อเทศเมื่อกี้ค่ะที่ว่าบางครั้งเราก็ต้องฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าอืมก็คิดคิดได้พอมาที่นี่บางทีมีมีปัญหาตอนตอนที่เดินแรกๆก็คิดค่ะวันที่หนึ่งสองสามนี่แบบ มองมองตัวเองเหมือนเสือติดจันนะคะแบบเดินไปเดินมาแล้วก็มองคนอื่นก็แบบคือขอโทษนะคะเหมือนเหมือนคน บ, บ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าอยู่ในโรงพยาบาลก็มองแล้วแบบ อ, อะไรจะ น, นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดคิดแบบแล้วเหมือนกับตัวเองอยู่อยู่ในคุกอะค่ะเพราะว่าเอาโทรศัพท์อะไรให้ให้คุณแม่หมดเลยแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรมาก็ แฟนก็เป็นฝรั่งอ่ะนะคะหลวงพ่อแล้วก็คือตอนนี้ก็อยู่กับแม่สองคนไม่รู้เขาจะสื่อสารกันยังไงก็มาเก้าวันนะคะหนุค่ะ เ, เขาก็อยากมาค่ะหลวงพ่อแต่ว่าสอนหนังสือค่ะเดี๋ยวรอปิดเทมอมเนี้ยค่ะหนูก็เลยบอกงั้นหนุมาก่อนเขาก็โอเคเขาก็ค่ะก็มาที่นี่พอวันที่สี่ะค่ะจะ เวลามีปัญหาเวลาคิดอะไรไม่ออกมันเหมือนมีอะไรตอบโต้ให้เราคิดออกอยู่ตลอดเวลาค่ะแบบหนูไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะมีเสียงบอกเตอตอบอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ า, อาพอเดินไปเดินไปนค่ะพอวันหลังๆมาก็เริ่มที่จะอ๋อเข้าใจแล้วที่ว่าให้ให้เข้าให้ดูแต่ความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีก็จะติด ที่ไปของหลวงพ่อจรานมาค่ะก็จะภาวนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วมาที่นี่ครั้งแรกค่ะค่ะก็เป็นบางครั้งเป็นคนที่ชอบชอบทำงานชอบทาอะไรอยู่ตลอดเวลาพอมาอยู่ตรงที่แคบแคบเดินไปเดินมาแล้วบางทีมันก็มีคิดอะค่ะหลงพ่อ แบบว่าแต่ว่าถ้านั่งทำมือบางทีก็คือไม่คิดอะไรเลยก็ทำไปเรื่อยๆก็ยังไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงต้องลองกลับไปที่บ้านก่อนนะคะโยมาจากจังหวัดสุพรรณค่ะมามาตามเพื่อนค่ะเพื่อนชวนม า, มาจะมากับลูกสาวจ้ะ โยมก็ยังไม่ค่อยมาครั้งแรกยังไม่ค่อยรู้อะไรค่ะยังไม่เคยค่ะรู้ว่าถูกหลอกมั้งก็ดีนะดอกกระถางดีนะใช่ค่ะอ๋อไม่เค็มค่ะแต่รู้สึกว่าปวดไปทั้งตัวเลยค่ะแต่โยมติดทางโน้นติดพุทโทค่ะพระอาจารย์ เหมือนเดินเนี่ยมีพุทธโธพุทธโธเนี่ย ไ, ไม่ต้องใช่ใช่ไหมคะเ้าจอืก็เราจะเห็นว่าที่วิคี้มาจำชื่อยมไยม่ยมเลยนะยมเชื่อเ ช, ช, ช, ชื่อเลยนะไอยมแดงเนาะชื่อจริงก็คือยมสั ญ, ญลักษณ์เนาะยมสั ญ, ญลักษณ์ยมกำไรยมกำไรต้องทำหน้าที่ไปล่าใม้หน่อยเดียว แปลให้เพื่นฟังเพราะว่ามีแฟนฝรั่งเราพูดฝรั่งได้เลยยมแดงก็ได้คุยกันเมื่อปีนั้นเมื่อปีก่อนเนาะที่ไปก็ต่งนะปีนั้นก็รู้สึกว่าหน้าโศกสมโอมทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้คุกมันแต่วันนี้หน้าเรียกว่าเบิกบานแล้วก็มีความสุขขึ้นเนาะ ขึ้นมากับโมทนาราสาธุด้วยแล้วก็จะเป็นกําลังของอาสมเบิกฟ้ า, าสมต่อไปการที่เราจะาเก่งกว่ครูนั้นเราจะต้องเรียนไปให้ไกลกว่าครูตรงนี้เรามีคุณปีชาได้เป็นครูมาก่อนเนาะก็เป็นครูมาก่อนเราก็ให้ครูเราสอนได้แค่นี้เราต้องไปหาคนที่ครูคําว่าครูเนี่ยหมายเขแบบอย่างนะไม่ใช่สอนนะ คือทั้งโลกครูทั้งโลกคือใช้คําพูดสอนแต่ครูทางธรรมเนี่ยใช้การกระทําสอนใช่ไหมอ๋ อ, อ, อไม่หล้วคาว่าเก่งกับครูนี่เก่งเก่งด้วยการกระทําไม่ใช่เก่งด้วยการขม่มเก่งมีสองอย่างนะเก่งด้วยทิฏฐิมรณนะอันนี้ไม่ดีแต่เก่งด้วยสติปัญญานี่ดีนะอย่างพระพุทธเจ้าเนะี่ย ไปปฏิบัติกับอาราธาราบดุลทักการบดุลจบจบความรู้เก่งกว่าครูปรากฏว่าครูสอนไม่ได้แล้วท่านก็ไปหาความรู้ใหม่พอหาความรู้ไหนท่านก็ได้บรรลุธรรใช่ไหมนั่นเนื้อเก่งกว่าครูก็ทําให้เราเข้าถึงสูงขึ้นนะถ้าหากว่าแย่กว่าครูเขาเรียกว่าอวัยชาติบุตรถ้าครูรู้เท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นเขาเรียกว่าอนุชาติบุตรถ้าเก่งกว่าครูเรียกวอภิชาติบุตรไปอภิชาติ อ๋อน่นเขาเลือกเก่งด้วยทิ่ฐมานะไม่ได้เก่งด้วยปัญญาถ้าเก่งกว่ครูหมายความว่าเคารพครูถ้าเก่งกว่ครูถ้าเราไม่เก่งกว่ครูปวสีเราก็ไม่สามารถจะกบครูมหาลัยได้ใช่เราไม่ได้เก่งกวาครูปวส่ครูปวสก็สอนได้แค่ปวส่แต่เราเก่งกว่ครูเราไปปกเก่งกครูป6กเราไปมอสามเก่งกว่ครูมอสามเราไปมเก่งกว่ครูมหเราไปมหาลัยเราเก่งกว่ครูมหาลัยไปเป็นยาตีโทเอกใช่นั่นต้องเก่งไปแบบนั้น เห็นด้วยสติปัญญานะฮะนั้นก็ในสิ่งที่โยมแดงได้ปรปสบนั้นเป็นโชคดีถ้าไม่มีปัญหาจุดนั้นเราก็ไม่เกิดปัญญาเมื่อไม่เกิดปัญญาแล้วไม่พบทางแห่งความสุขนะนนก็นั่นแหละเพราะว่าโยมเจอขี้หัวขี้ควายเนี่ย ถ้ายอมไปเหยียบมันก็ยมก็รู้สึกว่าไม่ดีเนาะแต่ถ้ายอมโอที่ควายนี่ดีจังใั้น ไ, ไปใส่ดอกกุหลบาบนี้นก่อนอ่าไปใส่ต้นกุหลาบใช้สผักโหดอกกุหลาบก็งามเนาะใส่ผักก็งามนี่เพราะฉะนั้นรู้รู้จักใช้มันดอกกุหลาบจะไม่หอมและไม่งามถ้าไม่มีขี้ใช่ไหมอ่าอ่านั่นแหละข้าวมันไม่มีขี้มันก็เป็นข้าวไม่ได้ ขี้เป็ด ข, ขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายมาทปุ๋ยชี่วภาพใช่ไหมข้าวขี้กลายเป็นข้าวให้เรากินได้อยู่ที่ว่าเราจะแปลสภาพมันเป็นไหมโทมัส Now our custom or attrition after we apply for civil duties we need to report our practice also you practice there in the w a t d a temple the same here But i s there for advanced student. <laughs> yeah, for basic student. And so when you come to join without retreat here and join without group, also you need to report your uh, meditation object. What happened while you practice like this? Okay. At the same time, I i n v i t e you to come like translator for all about here. Okay. On maybe t a out. เอาไมเป็ไใครว่างที่พอจะเป็นคนไหนเออเออโอเคโยมไปยึดไปล่าไม่หน่อยนะฮเออคนไหนเออเชิข้างหน้าหน่อยเออเออมาข้างหน้าอัะไงเออข้างหน้าหน่อยเอา เออตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าหม่ถึงนะแต่ว่ามันไกลไปอยากให้มันนั่งใกล้ๆเขาจะได้ยื่นไม้กันได้ถ้าลาบากไม่ต้องก็ได้อะฮะลำบากไหมเดี๋ยวเสียงดังนะเสียงดังความชัดเป็นครูเก่าเนี่ยอแต่ถ้าหากว่านั่งไกลนี่มันจะยื่นไม้กันไกลมันเสียเวลาถ้านั่งใกลๆก้ๆมันจะง่ายขึ้นเหีอ Hello. a t ah, uh, you Thomas. Okay. h s he. She said, e l i t e teacher can help you to translate for oral arts. Okay. Canada. a yes. yeah. Um. So it's been seven days since I've started my retreat. I feel much calmer. I feel much more peaceful. I feel like. Some of the negative things that were part of me before have left me, and now don't belong to me anymore. And I feel like I'm more complete. I feel uh, the negative things that were part of me have left me, and now I'm a more positive, calm, peaceful person. Um, it's still difficult sometimes. To control my thoughts, but I feel every time that I can, and I realize that I'm that I can be in control uh, rather than follow my thoughts. It feels joyful and blissful. And and although I'm trying to focus on my meditation more than my thoughts, I still am excited to share the idea of moving meditation with as many people as I can. My experience has been sometimes difficult. Sometimes uh, it feels like thoughts w won't, won't stop, even even e and I, I. don't know where they come from, but uh, even though it's been only seven days, I still can can feel that it's possible to have more control and and live in the present moment. More than I ever have before. Yeah, <laughs> I think some problems I definitely am learning to solve. Um, the biggest problem I think is is not living in the present moment, and I think that I definitely am learning that it is possible to live moments. How do I solve? e h Uh, when the. Usually, the thought thoughtfulness when the thoughts keep coming and coming, it just I just focus on the energy of of my step, every single step, and I just if, if I focus, even though it's only maybe for one step, and then the thought is back. If I just do it and do it and keep doing it, then I feel gradually a change. But I focus on the energy of of the step. But more, if I can just even one step, if I'm back to a moment, back to the present moment, then I, I know that all the problems that come, that's not really me, because I'm, I'm back there. So all those things, that's that's not the real me, because I'm back here to this step. Um, seven days, <laughs> just since I've met Ajahn. Uh, no other temples, but in this this idea of moving meditation, only seven days. But before that, about three months. But really, a lot a lot has happened in the past seven days. That's helped a lot. ก็ส่วนนึงโยมแดงจะทราบไหมว่าทไมมาถึงชอบไปทาง้นบ่อยก็ว่าคือ ที่นั่นตามปุติฝรั่งนี่จะตื่นตีสามตีสี่ 3, 4, อย่างเราไม่ได้นะก็ตื่นเจ็ดโมงแปดโมงหรือสิบโมงนั่นแต่คนนี้เขาตื่นได้เออเราพาตื่นตีสามกว่าสามสามทุ่มเราพาหยุดหยุดสามทุ่มเหมือนกันนะคือที่วัดดอยทุ่หลวงพ่อเนี่ยจะคือเรามีคอนเนคเกี่ยวกับไอ้ไมโครเนตฟาร์มของคุณชินวอนเมื่อก่อนคุณชิวอนไปพามาปฏิบัติที่นี่ต่อมาท่านก็สึกออกไปอ่าสึกออกไปแล้วก็ไปทา ที่ที่เชียงใหม่ที่เสมุงเพราะแกพูดภาษาอังกฤษได้เก่งก็เลยทำโฮมสเตย์ที่เสมุงแล้วก็รับแขกที่เป็นชาวต่างประเทศเข้ามาเฉพาะผู้ต้องการมาทำกรรมฐานแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบง่ายๆ200าย่ายนะคืนละสองรอยบาที้นะเป็นโฮมสเตย์คืนหนึสบาทแล้วก็ปรุงอาหารร่วมกันปลูกผักร่วมกันทำกรรมฐานร่วมกันแต่คนไหนที่ตั้งใจปฏิบัต คุณชีวอก็่าพาสูงมาที่หลวงพ่อที่ที่วัดดอยอวัดดอยคือหมายความว่าเมื่อก่อนอยู่ที่นี่หลวงพ่อไม่ค่อยถูอากาศที่นี่แต่หลวงพ่อไปอยู่บนเขาก็เลยถูอากาศที่นั่นก็เลยเอยียงยมแม่แกจะตามมาที่มีมาที่นี่ก็ไม่ไหวจะไปพิวัตรธรรมที่อีสานก็ไม่ไหวแต่ก็อยากจะอยู่ใกล้ๆบ้านเดี๋ยไปสร้างวัดดอยบนดอยให้แกอยู่คนเดียวตอนหลังมื่อไอยู่คนเดียวก็เป็นหงแกมาขึ้นไปอยู่เป็นเพื่อนแกยมแม่ตอนนี้มาช่วยยมพี่คุณทนะําครัวนั้น แปดสิฟ้าแล้วนะก็แกก็วิ่งขึ้นเขาลงเขาเป็นห่วแกแกปลูกผักสูงที่ครัวที่เนี่ยบางสูงที่ครัวที่พุนนวนบงังถ้าชาวบ้านมาทาบุญแกก็เอาผักให้ชาวบ้านน้อ <c> ง <oughs> ยมยมแม่เพราะว่าอยู่แม่เมื่อก่อนไม่เอาเลยนะตอนใหม่ๆหม่ามาก็เลยพาไปหาหลวงพ่เทียนหลวงพ่เทียนถามยมแม่คำหนึ่งแม่ยมแม่เนี่ยรักลูกไหมรักมากรักมาก ถ้าลูกให้สิ่งที่ดีที่สุดแกโยมในโยมอยากเอาไหมเอาเออในสิ่งที่ดีที่สุดคือปฏิบัติแบบนี้เลยนะหลังจากนั้นว่ากเอาเลยนะเอาแกก็ตามปฏิบัติอยู่หลายปีเดี๋ยวนี้ก็พึ่งตัวเองได้เอามาก็ปล่อยปล่อยแกก็พึ่งตัวเองได้อันนี้ก็เลยมาทําที่นั้นก็อามาก็เลยพล่อยต้องกลับมาอยู่เป็นเพื่อนโยมแม่เป็นมาครั้งกลับไปก็ เห็นด้วยความตั้งใจนะอย่างคุณครูมัดเนี่ยเขาได้ฝึกแบบที่ไมฟคเนตฟาร์มาบ้างเพราะว่าคุณชินวรก็มาปฏิบัติกับเราก็เลยมาสงว่าปฏิบัติที่นั้นดังนั้นพวกเราอย่าประมาทนะตั้งใจแล้วก็ทําให้มากขึ้นเพราะเราติดสบายมานานแล้วต่อไปทางยุโรปอเมริการเขาจะจริงจังกว่าเราก็พื้นฐานของเราเป็นเวียของเขาเป็นวิยทยาศาสตร์ แต่พื้นฐานของเราเนี่ยเป็นไสยศาสตร์เพราะยังมันจิกออกยากไสยศาสตร์แต่ของเขานิเวศาสตร์นี่มั น, มนตรงกับพุทธศาสนาเลยแต่ว่าเขาเวียาศาสตร์เนี่ยพูดถึงกระบวนการวิวัฒนาการของวัตถุแต่ว่าพุทธศาสตร์เนี่ยพูดถึงกระบวนการวิวัฒนาการของนามธรรมพุทธเจ้าได้ค้นพบทั้งสองด้านแต่ท่านไม่ประกาศเวียาศาสตร์เพราะอะไรเพราะมันไม่นําไปสู่การดับทุกข์มันนําไปสู่ ความเพิ่มทุกข์ท่านก็เลยมาประกาศให้พุทธศาสตร์เพื่อที่จะไปดับความทุกข์ที่มันเกิดจากการพัฒนาของวิทยาศาสตร์อีกทีนี้เพราะฉะนั้นพอคนไหนมีพื้นฐานเรื่งวิทยาศาสตร์ปั๊บมาศึกษาพุทธศาสตร์เขาจะไปได้ไปไวกว่าเราแต่ของเราที่ไปช้านี้เพราะเรามาติดไสยศาสตร์ติดทีติดซังติดเทวดาติดอินติดภรมติดสระนี่ชาติหน้าติดไปนูเนียไปหมดติดขังติดศักดิ์สิทธิ์จิตหมอดูติดไปสารพัดเป็นไสยศาสตร์หมดไม่ใช่พุทธศาสตร์ แต่ฝรั่งเขาไม่มีเรื่องนี้เลยเพราะเขามาจับผู้ทศศัตร์ปับเขาไปได้เลยเพราะฉะนั้นอุปสรรคของเราจะแรงและสูงนั่นนั่นก็พยายามโอเคขอทางไปอายุมนะกับนรัสการตุภชาสวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะชื่อิสาค่ะเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ แล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่ได้มานะคะครั้งแรกนี่มาเมื่อปีห้าสามปีห้าสามเดือนพฤศจิกาออกจากวัดไปช่วงออกพรรษามาอยู่สามเดือนนะคะพอดีว่าพระอาจารย์มาลิกก็พาไปที่วัดทุตินใจแล้วก็ไปที่ท่าแสงเพียน แล้วก็พาไปที่หมอเขียวน ะ, ะก็เลยอยู่ยาวเป็นกิตาสาอยู่ที่นั่นนะคะแต่ก็ปิดตัวไปปฏิบัติธรรมบ้างในบางช่วงนะคะก็ปฏิบัติในสายหลวงพ่อเทียนตลอดค่ะช่วงที่ผ่านมาก็พ่งไปปฏิบัติมาที่เมืองการที่เมืองกาลนีเ่เป็นที่ของเอกชนที่เขาจัดเป็นสถานที่วัด แล้วก็เกิบอารมณ์อยู่นะคะที่นั่นตอนที่จะกิบอารมณ์นี่ก็พอดีไปอยู่ที่นั่นสามเดือนเหมือนกันนะคะแต่ว่าสองเดือนแรกไม่ได้กิบอารมณ์เมากิบช่วงเดือนบุกุลาะค่ะบุกุลานี่พอกิบอารมณ์ได้ประมาณสิบวันไม่ถึงสิบวันดีอะค่ะก็เกิดมันเรียกว่าตกทวารหรือเปล่าไม่ทราบนะคะ จิตมันหลอนะคะเดือนชงกลมอยู่แล้วมันบึกเข้าไปคือจิตกำลังปรุงแต่งเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดด้วยช่วงที่เดินจงกลมเพราะว่ากลัวการการตายการเกิดก็พิจารณาตรงนี้ไปเสร็จแล้วมันบึกเข้าไปแล้วก็ปุ่งลึกมากเลยค่ะเข้าไปในสภาวะที่ออกจากอารมณ์ไม่ได้ะคะ่ะ ติยสามสี่วันสามสี่คืนนอนไม่หลับก็เพราะว่าเอมันองค์เรื่องการการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยน่ากลัวมากการตายการเกิดเป็นสิ่งที่น่ากลัวมันมันน่าสรุปสังเวชแล้วก็รู้สึกแบบกลัวจนแบบบาดภวากับการเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดกีกอะไย่างเงก็พยายามที่จะคือ บำเพินเพื่อที่จะให้หลุดพ้นไม่อยากเกิดอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ไปถอนพิดเป็นจัดกระดูกไปอะไรให้คนที่วัดนั้นเขามีมีเหตุป่วยมามีบาดเหตุมาด้วยครับ <c oughs> ก็ห้าหกคนแล้วพิธก็เข้าตัวความร้อจัดสมเราก็เป็นช่วงจังหวะที่ป่วยพอดีแล้วก็ตกผวังพองดีก็เลยจิตก็ยิง่งตรุงไปลึกใหญ่เลย แล้วก็เปิดวทนามากปวดเมื่อยแล้วก็ตึงแข็งปึงไปทั้งตัวนะตอ น, น, นก็ถอนพลิกไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยจิตก็ตึงนะก็ออกจากอารมณ์ตรนั้นไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทํำยังไงดีนะที่จะออกจากตรงนี้ได้จะออกได้ไหมน้ออะไรเนี้ย ก, ก็ถามตัวเองพยายามที่จะหาวิธีการแก้แต่ก็ออกไม่ได้ ก็เลยนั่งสร้างจังหวะก็เอาหนังสือมาอ่านอ่านก็ไม่ได้มึนนั่งสร้างจังหวะก็มึนเวียนตื้อไปหมดเดินจงกงมก็พยายามอยู่กับรู้สึกตัวยิ่งเดินก็ยิ่งตึงลึกเข้าไปใหญ่ยิ่งแบบไม่ได้ก็เลยสุดท้ายต้องทิ้งค่ะทิ้งแล้วก็ไม่เอาไปเดินรอบรอบอ่อ ดีเลสาบอะค่ะเพื่อที่จะให้มันผ่อนคลายตอนแรกก็เดินจงกลุมแต่ปิด ก, ก็ปรุงปรุงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดกลัวในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะคิดไปเรื่อยว่าทําไมต้องเกิดมาแล้วแบบคือการเกิดนั้นมเป็นทุกข์กมากอะไรเงี้ยแล้วต้องกินต้องขี่ต้องเยี่ยมต้องถ่ายแล้วก็ต้องถอนทิศทำดีท็อกด้วยค่ะก็เลย ไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ถ่ายไม่ีไม่เยี่ยวก็เป็นทุกข์ไม่กินก็ทุกข์กินก็ทุกข์อะไรอย่างเงี้ยะก็สิกเห็นเวทนาตัวเองเยอะมากตรงนั้นเคยอ้อมันน่าเบื่อมากไม่อยากเกิดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคกระปุงลึกแล้วก็ออกไม่ได้จนท้ายที่สุดก็ไปเดินทิ้งแล้วก็ไม่เอาพอมีความคิดตัวนี้เข้ามาก็เล่ผักละ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่ปรุงอะไรอย่างเงี้ยกลัวคือผักออกแล้วจะพยายามไม่ปรุงแล้วก็เดินดูอะไรไปเรื่อยแต่ก็ยังยังมันก็นิดเดียวค่ะยังไม่ค่อยไม่ค่อยขายเท่าไหร่จนเจ้าของสถานที่มาก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกว่ามันก็เป็นปกติธรรมดาเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ก็เป็นแบบนี้แหละเพียงแค่คํามีคําเดียวอ่ะที่ตอนนั้นปัญญาไม่เกิดนะค่ะ มันคิดไม่ได้อ่ะค่ะเพียแค่ว่าเออมันก็เป็นธรรมชาติเกิดดับไปตามธรรมชาติซึ่งเราไปยึดมันมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปกลัวไปหวาดไวะดกับมันแล้วก็ปุงมันก็เลยก็เลยไม่ยอมออกตอนหลังก็เลยก็เลยเอ่อคือไปเดินผ่อนคลายในเย็นวันนั้นอีกสองวันวันประมาณวันที่สี่ค่ะก็รู้สึกว่าคลายไปเยอะเริ่มไปเดินผ่อนคลายแล้วก็พยายามที่จะ อาจารให้เห็นว่า อ, อพขึ้นมาเนี่ยคะ่ะตั้งแต่พระอาจารย์พาไปแล้วก็อยู่หมอเขียวยาวแล้วก็พึ้นมาที่นี่แต่ก่อนหน้านั้นหนูไปที่สมพนัทค่ะไปที่ไปเจอพระอาจารย์ที่สมพนัทไปอยู่สามสี่เดือนแหละคะ่ะ ก็ไปหลายครั้งเหมือนกันค่ะที่นั่นไปสองครั้งค่ะไปอยู่ประมาณสี่เดือนค่ะค่ะอยู่ต่อเนื่องก็มีไปอยู่สามเดือนก่อนแล้วก็กลับมาที่ศูนย์หมอเขียวเดือนหนึ่งเอาสมุนไพรไปปลูกแล้วก็ไปให้หลวงตาแล้วกเ็เพื่อที่จะทำคอเลฟินให้หลวงตาค่ะก็กลับไปอยู่อีกเดือนหนึ่งค่ะ ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปแต่ว่าตอนแรกจะไปสมนาสอีกพอีว่าอาอยากจะเก็บอารมณ์อะค่ะที่ที่อจะไปสมนัสแล้วไปเก็บอารมณ์ที่เชียงรายแต่พอดีว่าที่การเบองการเนี่ยก็ให้เก็บอารมณ์ที่นั่นก็เลยอยู่เก็บอารมณ์อยู่ที่เมืองการ ก, ก็เลยไม่ได้ไปเชียงรายเป็นของคุณวิริสันซึ่งเขามีที่อยู่สี่พันไร่ค่ะ แล้วเขาจัดเป็นเหมือนโครงการหมู่บ้านจัดสรรเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นเรื่องใหม่อะค่ะแต่ว่าเขาเขามาล้มตอนไอเอฟอ ะ, ค, ะค่ะรับค่ะอมไ ม, ไม่ไม่น่าใจหน่ครับแต่แต่ดีพระบาทสี่รอยด้วยนะคะ อ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเหล้าขวัญ น, นะคะเดือนกันค่ะที่พระอาจารย์คมกิจไปพาทาไหมาค่ะตี่ น, นี้กราบคุณค่ะกราบมสการท่านอาจารย์และพระสงฆ์ทุกลูกค่ะดิฉันชื่นอนางสมศรีโจละสาค่ะมาจากกรุงเทพค่ะ มาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้คือเป็นเดือนเกิดของตัวเองนะคะเพื่อที่จะมาทำกุศลให้กับตัวเองและวก็แม่ของตัวเองนะคะเพราะเป็นเดือนเกิดเดือนเดียวกันค่ะขึ้นมาปฏิบัติที่นี่ครั้งแรกค่ะเพราะว่าเคยไปของอาจารย์ด็ของคุณแม่สิริกิณ์ชัยที่บ้านไลาวาค่ะที่ศรีราชาครั้งหนึ่งค่ะ การปฏิบัติจะคล้ายๆกับตรงนี้แต่ว่าที่นั่นจะเป็นเดินหกจังหวะแล้วก็นั่งสมาธิพองหนอยุบหนอค่ะต อ, ตอนนี้นงคุณแม่เขาเสียแต่เราก็จะมีลูกศิษย์ของท่านนะคะเสียแล้วค่ะเสียไปเมื่อตอนปีน้ำท่วมนะคะค่ะมีอาจารย์เลนูนะคะไม่ทราบอาจารย์ไม่ทราบอาจารย์จะทราบไหม ตัวเองจมีความรู้สึกนะคะแต่ว่าความคิดจะไม่ฟุ้งซ่านนะคะคือจะเป็นใจจะเป็นใจที่ที่ปล่อยวางนะคะวความรู้สึกตัวจะมีจะมีอยู่ค่ะจะมีอยู่แล้วนะค ะ, ค ะ, ะ เ, เคยทําพองหนอมาบ้างแล้วค่ะความรู้สึกพองหนอล่ะคะจะเป็นอะไรที่แบบ ใช้เวลามากกว่านะคะแต่ตรงนี้ไม่ไม่ไ ม, มากค่ะคือตรงนี้จะเป็นอะไรกับร่างกายมากกว่านะคะคือจะเหมือนกับอาการปวดจะมากกว่าคะ่ะร่างกายจะร่างกายจะไม่ค่อยสู้นะคะแต่ใจอจะสู้ค่ะเพราะจะเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นด้วยนะค ะ, ะ, ะค่ะปว ด, ออปดค่ะที่นี่ปวดมากเลยค่ะ ใช่ค่ะาการนั่งจะนั่งได้ไม่ทนแต่การยืนและเดินพอทนได้ค่ะแต่การนั่งจะทนไม่ค่อยได้เพราะว่าจะปวดหลังหานาทีหลงพ่อเขาสรุปกันคุณวิสาเนาะชื่อ<ะ>ลิสาเนาะคุณลิสาตัว น, นั้นหนูพ่อจำได้กรับค้าวข า, ข า, ขาที่ไปกับหลงพ่อเนาะตรงนั้นแล้วก็คุณก็วนออกไปข้างนอก รอบใหญ่เลยนะกวจะวกเข้ามาได้อก็ดีนะคุณไม่หลุดไปนะเพราะคุณมีวิบากกรรมเยอะถ้ะอาออกไปช้วิบากกรรมจนป่านนี้ก็ยังไม่หมดอีก mm hmm. ก็นื่องจากพราถ้าหากว่าตัววิบากนั้นมันยังแรงอยู่เราก็ต้องไปช้วิบากนั่นก็คือเราจะต้องไปนั่นหมายความว่าขณะที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้สัมมาทิฏฐิออกไปเพราะฉะนั้น เมื่อไม่ได้สมาธิที่ออกไปเมื่อไปเจอที่ที่อื่นปั๊บนี่ล้วก็แยกไม่ออกอันไหนเป็นมิจฉาอันไหนเป็นสัมมาใช่ไหมมันก็จะวนไปตามทิฐิอาจารย์ตอนนั้นมาที่นี่เนี่ยเอามาเพียงแต่ว่าโยมได้สมาธิที่ก็ได้สมาสติแต่ความรู้สึกตัวที่ถูกต้องนั้นนะจะไปพิสูจนที่ไหนก็ไปไม่ไม่ห่วงแต่ถ้าหากว่าสมาธิิความรู้สึกตัวที่ได้ไปยังไม่ถูกต้องนะออกไปแล้วอันตรายเาพราะอะไรเพราะกลับมาได้นี่ถือว่าเก่งนะ อข้ออะไรเขาไปเจออะไรต่ออะไรหลายอย่างเรื่องเรื่องเรื่องทิฏฐิอาจารย์นี่สําคัญมากนะถ้าหากว่าเราไปเจออาจารย์ที่ไม่ไม่ใช่สมณะทิฏฐินี่แท้จริงนะอันตรายข้อเรื่องทิฏฐิเรื่องละเอียดมากนะเหมือนเสมือนถูกแต่ไม่ใช่ถูกเสมือนผิดแต่อาจจะไม่ผิดแต่เราแยกไม่ออกว่าอันไหนมันลึกๆ้วมันถูกหรือมันผิดเพราะนั้น มาตรงที่แพร่แสงเทียนหรือวิธีการที่หลวงพ่อทํากันอยู่เนี่ยเราต้องการเพียงประการเดียวให้คุณได้สมาธิที่นั้นเองสมาธิทิในที่นี้มันได้หมายถึงว่าจะไปรู้จักทฤษฎีอะไรมากมายสมาธิที่หมายถึงว่าให้รู้กายเป็นกายใจเป็นใจแล้วสร้างความรู้สึกตัวให้เห็นระหว่างกายกับใจหรือูกกับนําไม่ชัดวิธีก่อนที่พ่กโยงจะมายม ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งมาก่อนเนี่ยก็ถามเขาว่าได้เข้าใจกายไม่เข้าใจใจเข้าใจกายอย่าใ จ, าใจแล้วกายมีทุกข์ไหมมีทุกข์ใจมีทุกข์ไม่มีอกายสบายแล้วอัไหนเป็นรูปอัไหเป็นนามกายเป็นรูปด้วยใจเป็นรูป ก, กายเป็นนามด้วยใจเป็นนามทําไปทํามายุ่งๆอยู่ นี้คนจิงกายก็ไม่ได้ทุกใจก็ไม่ได้ทุกถ้ามันต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยมันก็จะเบียดเบียนกันกายก็ทําให้ใจเป็นทุกข์ใจก็ทําให้กายเป็นทุกข์ยมก็ฟังยากสมาพุธเลยเอาคำมือเวลาแบมือออกเราเรียกว่ามือใช่ไหม เราก็เรียกว่านิ้วใช่ไม้มเวลากำเข้าไปก็เรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกำปั้นเรียกว่ากำปั้นเขาว่ามือหายไปใช่ไหมเวลาแบ่ออกกำปั้นยังอยู่ไหมกำปั้นหายไปไหนเวลากำเข้าเนี่ยรู้สึกสบายหรือไม่สบาย เวลาแยออกเนี่ยความสบายมาจากไหนความไม่สบายหายไปไหนนั่นดีถ้าขายออกอะไรหายไปเนีย่ยถามตรเนี้ของจริงเนี้ยแต่ก็ยังงงอยู่ทั้งมือทั้งกำปั้นเราเรียกว่าอะไรแร่ว่ารูปใช่ไหมอ่ารูปแต่ถ้ารูปถ้ามันกำมือมันหนักแต่ถ้ามันปล่อยวาง มันก็เบาปล่อยวางมันก็จะเห็นมือเป็นมือความหนักก็จะหายไปเพราะนั้นทุกข์ไม่ได้เกิดกับมือและก็ไม่ได้เกิดกับความรู้สึกที่มือแต่เกิดความรู้สึกที่เรามีการทำเจตนาที่จะกำมือเข้าไปแล้วก็กำให้แน่นความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาเองถ้าหากเห็นแค่นี้ให้ชัดๆเนี่ยมันก็โห้เยอะเลยนะ เพระนั้นให้ดูสองอย่างดูลูกกับนามลูกก็คือความที่มันกรรมเนะี่ยนามก็คือมันรู้สึกหนักหนักอันนั้นก็ยังเป็นรูปนามแต่ปล่อยออกมาความรู้สึกหนักหายไปรูปไม่มีแล้วมีแต่นามมันก็เบาใช่ไหมพอกรรมเข้ามารูปเกิดใหม่คือความรู้สึกหนักเป็นรูปใช่ไหมแต่รู้ว่าหนัก เป็นน้ําแต่พอปล่อยปับ๊บรูปหายไปนามเกิดจิตของเราถ้ามันกำความคิดอมามันก็ทุกมันปล่อยความคิดเมื่อไหร่ทุกก็หายไม่มีที่ตั้งเพราะอะไรเพราะไม่มีรูปเพราะรูปเป็นที่ตั้งของอานิจจังลูกขังตาแต่นาอานิจจังอานิจจังลุกขังตาเข้าถึงไหมเข้าไปถึงไม่ได้เพราะมันไม่มีที่เกาะใช่ไหมถ้าเราไม่ปรุงเนี่ยรูปเกิดไหม รูปเกิดไม่ได้แต่ถ้าเราปรุงรูปเกิดใช่ไหมอันนี้จังทุกขังตา ก, ก็เกิดถ้าเราปล่อยมันก็เหลือแต่รูปเหลือแต่อะไรตะนามทุกข์กหมดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดถ้าหากว่าคุณเขาจะดึงไม่ชัดเดี๋ยวคุณวนออกไปอีกทีนี้คุณกลับฐานไม่ได้เลยคุณไม่ได้กลับมาอานี้อีกอคุณไปตายข้างหนาง้าแล้วกันเยอันนี้คุณยังโชคดีนะคุณกลับมาได้นี่นะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าใครได้สมาธิฐี่ใครจะไปปฏิบัติสำนักไหนกี่ร้อยอาจารย์เนี่ยไม่มีหลงทางยิ่งไปเสื่อมให้ดีขึ้นก็มาหามอ์ก็ยังไม่เป็นสมาธิฐีจนเท่าปั่นนี้เนี่ยหายไปไห น, นดูตอนนี้เพราะฉะนั้นต้องทำเรื่องสมาธิถีให้ชัด แต่ถ้าไปสํานักไหนแล้วเรื่องสมาธิถี่ไม่ชัดเนี่ยคุณอยู่เพิ่งหนีก็แล้วกันแต่ทําไปแล้วดูมันแยกขึ้นเรื่อยๆคุณรีบหนีเลยนะแสดงว่าอาจารย์สอนก็ไม่ได้สมาธิถี่เมือนกันไม่รู้อ่ะมันถ้าคุณไปแยกลูกน้ําไม่ออกไม่เป็นสมาธิถี่แล้วทําไงมันก็มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเอเพ่งเพื่อให้ได้อะไรอ่ะให้ได้ตามอยากใช่ไหม นั่นแหละนั่นแหละมันมันเป็นได้ทั้งนั้นแหละเราไปเพ่งอะไรเพ่งรูปใช่ไหมนั่งเพ่งรูปก็คืออย่างเงี้ไปกำให้มันแน่นเข้ า, าใช่ไหมก็หนักอันั้นแหละเพราะฉะนั้นความรู้ที่ว่าเป็นสมัมมาทิฏฐิคือรู้รูป ร, ร, รู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วไม่ไปยึดกายว่าเป็นเราไม่ยึดใจว่าเป็นเราเห็นกายก็คือกายเห็ใในใจก็คือใจแล้วไอ้ความรู้สึกหนักละ่ะมันเป็นกายหรือเป็นใจความรู้สึกสึกหนักก็คือ นี่คือมันเป็นรูปแล้วมันไม่ได้เป็นกายเองงงเหมือนกันกายก็รูปเป็นในเด้อแล้วปล่ายนะเออเอางี้เลยกันที่ว่ามาไม่ขี้ใช่ไหมพอปล่อยว่ามือใช่ไหมพอกรรมือหายไปเหลือแต่กรรปั้นเรียกว่ารูปพอคลายรูปหายไปกลายเป็นนามอะ ไ, งไงรเงี้ยทุกอย่งนี้นะไปคิดกันแล้กันเรื่องนี้อย่าเพิ่งเชื่อหลวงพอ่อ จังใช้ปัญญาขอตัวเองแต่หลวงพ่อชีเว่า์ลักษณะเงี้ยทักซักซ้อมอยู่หลายหายครั้งอยู่เพิ่งเชื่อแม้แต่ตัวเองก็ยังเพิ่งเชื่อแม้แต่ของพูดอาจารย์ก็ยังเพิ่งเชื่อแต่ไปสักซ้อมไปทําดูอะไรมันรู้สึกดีขึ้นน่ะอันนั้นมันใช่แล้วอันไหนทำแล้วเท่าไหร่มันไม่รู้สึกดีขึ้นน่ะอันยังไม่ใช่หรอกแต่คุณต้องซักซ้อมสิ่งนั้นหลายๆครั้งแค่นั้นแหล ะ, น, น, หละนั่นแหละมันก็เข้าไปอยู่สร้างรูปการพรุงแต่งเป็นรูปใช่ไหมการปรุงแตงเป็นนารูปใช่ไหม คุณไม่ต้องไปหารายละเอียดมันเลยแค่ปูุงแต่งน้ํารูปมันเกิดอันนี้ชางรูปอันใดต้องเกิดทันทีแล้วไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะทุกแบบไหนแหละอันนี้แล้วแต่ความซับซ้อนของมันนะอดูผลของมันว่าถ้ามีรูปน้าน้ํารูปทุกต้องเกิดแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีแต่น้ำอย่างเงี้ไม่มีรูปรูกระดับนะจําคอนเซ็ปต์หลักๆนี่เอาไว้ก็แล้วกันหมดเวลาแล้ววันนี้นะก็ขออนุัมทนาสาธุพรุ่งนี้แล้วว่ากันต่อแล้วก็ออย่างไรก็เข้าไป ด้วยการนั้นนี่นเป็นการสอบประลงด้วยการรายงานด้วยนะแล้วก็เข้าไปทําความรู้สึกตัวให้ได้ทุกทุกขณะเก็บเยอะเยอะไว้ก่อนนะมันจะเป็นกุ้งเป็นซิวปลาหรูปลาเข่งปลากรไอ้ช่างมันแต่ให้สติมันทีทีไว้ก่อนเพราะสติมันทีทีนี่มันจับอะไรได้ทุกอย่างแล้วก็มาเลือกเอาทีหลังแต่ถ้าสติมันห่างนี่ไม่ได้ห่างหงนานๆจะรู้สึกตัวทีนิดห่างมาก แต่มันรู้สึกตัวมันทุกขนาทุกตัวให้สบายอย่าไปรู้สึกตัวแบบเพ่งอย่าให้เป็นให้รู้สึกว่าสบายไม่สบายถ้าเนยไม่สบายก็เปลี่ยนสบายก็อย่าไปยึดสบายก็รู้สึกสบายไม่สบายก็ปรับแค่ทาแค่นี้แหละเป็นสมาธิทีละอย่าไปสําคัญเราความไม่สบายเป็นเราความสบายเป็นเราให้รู้ทั้งสองอย่างก็ไม่ใช่เราทั้งนั้นมันเป็นรูปกรรนามถูกงี้บ่อยเข้าบ่อเข้าเดี๋ยวมันจิตมันจะรู้เองว่าไหนใช่อไหนไม่ใช่ไม่ต้องให้อาจารย์บอกให้เห็นเองนะ ขคียมทนายสศุสะายพร้อมกัน